ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประภูติยานได้นำเสนอจุดเด่นที่ควรพิจารณาทบทวนในปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปริยายเทศนาที่ส่งประลบเรื่องปฏิจจสมุปบาทและส่งจำแนกแสดงไว้โดยนัยต่าง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนมองเห็นความสำคัญแห่งกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากเหตุและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวเหตุนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ได้ต้องการไม่เกิดขึ้นก็ได้ในสายของความเกิดคือกิเลสกับออทุกขสุโมทัย ก็ทรงสอนในแนวให้มองเห็นโทษชัดเจนขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจแล้วมองเห็นโทษของกิเลสตัวใหญ่ก็คืออวิชชาสังขารตันหาอปาทานแล้วก็เปลี่ยนพยายามป้องกันลดละบรรเทาตามกาลังความสามารถของตนปริยายแห่งธรรมะที่ทรงยบนาแสดงไว้เป็นอันมากแต่ว่ามันจะมีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกัน ก็คือการลดลงของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธมัมะซึ่งหมายความว่าเป็นการลดลงของความทุกข์และกับการเพิ่มขึ้นของความสุขนั่นเองอีกแนมหนึ่งก็ส่งแสดงให้เห็นโทษในลักษณะที่ยาวไกลเพื่อมองเห็นว่าไอส้สรรพกิเลสทั้งหลายที่มาจากอิริชาเนี่ยซึ่งเป็นอนดีต ก, กรรม และตัณหาปาทานภพคือกิเลสก็เรียกสังขารภพนี่ก็นำไปสู่ภาวะจักคือการหมุนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการที่เราท่องเที่ยววนเวียนไปไ ป, ไปมาๆอยู่ในสังสารวัฏนี่เพราระการไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปริยาแห่งธรรมะเหล่านี้เช่นทรงแสดงไว้ในโกสุลสังยุต สังยุตติกายในตอนหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนั่นคือชีวิตในแต่ละชาติแต่ละชาติเรามีความตายอยู่หลายลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะ เป็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนย่อยบางในส่วนใหญ่บางของร่างกายแต่ว่ามันก็มีความเกิดสืบเนื่องกันไปคือชดเชยกันไปในรูปของที่เรียกว่าสันติคือความเกิดที่สืบเนื่องกันไปก็ดูแล้ใกล้ยๆจะไม่ตายอีกแนวหนึ่งเป็นการตายตายทั้งเป็นโดยการใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวเมา อย่างที่ส่งแสดงไว้ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายกว่าไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอย่างหนึ่งเป็นการตายในก็เรียกอาการรับมรณนะคือตายในยามที่ไม่น่าจะตายหรือไม่ควรจะตายแต่เพราะความประมาทคนตนเองบ้างความประมาทของบุคคลอื่นบ้างก็ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์ที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง แล้วก็ทำให้เกิดความตายขึ้นท า, ทางที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายแล้วก็มีการารับมรณะก็ตายไปตามการตามเวลาในขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นสมมติมรณะคือก็สมมติว่าตายเอาตอนนั้นเองเพราะยังต้องเกิดหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไป ทีนี้ในการต้องหมุนวนในสังสารวัฏนั่นเองก็ทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นไปตามกรรมคือหมายความว่าจะตายเมื่อไร่จะตายที่ไหนจะตายระตายอย่างไรตายโดยวิธีใดเนี่ยมันเป็นการจัดสรรของกรรมตายแล้วไปเกิดนี้ที่ไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรมีอายุเป็นอย่างไรมีพิพันธ์วันหน้าเป็นยังไง สถานะทางคมสัง ค, งคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นยังไงเนี่ยเ็เป็นการจำแนกของกรรมในอดีตบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนั้นมันเป็นเรื่องสังคมคือเป็นการจำแนกของกรรมในแต่ละขณะของบุคคลเรานั้นก็ตามหลักที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเมื่อศึกษาในกระบวนการของกรรมในรายละเอียดที่เกี่ยวกับกรรมแล้ว จะเห็นเรื่องการจาแนกในลักษณะที่ชี่ยิบคือถ้าเราดูที่จิตแล้วมันเป็นการจำแนกทุกขณะจิตโดยสรุปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็หมายความว่าในด้านความรู้สึกว่าเป็นหรือเราเป็นเนี่ยความมีความเป็นของเราในแต่ละขณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่เจตจำนงหรือความตั้งใจทาตั้งใจพูดตั้งใจคิดของเรา คนก็เข้าถึงผลของบุญและบาปก็แล้วแต่ว่าเราทำอะไรเอาไว้พวกนี้ทงทรงแสดงโดยโดยรวมโดยสรุไปไว้ด้วยวัวหารต่างๆที่เราคุ้นๆเช่นว่าธรรมจารีสุ ข, ขังเสติคนประพฤติธรรมย่อบอยูเป็นสุข ะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรม ท, ที่ประพฤติดีแล้วจะนำความสุขมาให้นี่เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมธรรมย่อมนำไปสู่สุคติธรรมย่อมนำไปสู่ทุกติเป็นต้นนี การแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปริยายเหล่านี้อาจจะทรงแสดงเช่นทรงแสดงในที่นี้กับประเจ้าปเสนติโกศลว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจะไปสู่นรกผู้มีกรรมเป็นบุญจะไปสู่สุคติเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าอันนี้สรงของทางก็ดีศีลก็ดีไปทรงจําแนกแสดงเอาไว้นั้นให้เห็นผลในขณะนั้นๆคือไปในจิตใจของตัวเอง แล้วปฏิกริยาจากสังคมสถานภาพของตัวเองที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในสังคมถ้ทาทีที่สังคมยอมรับนัำถือสถานะของตนแล้วตลอดถึงความสุขความทุกข์ที่ตนได้สัมผัสแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตหลังตายเพราะแนวผลในอนิสงส์ที่ทรงจำแนกแสดงไว้นั้นจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอด เกีนมาพูดถึงเรื่องศีลว่าบุคคลที่มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะมั่งคั่งดว้วยโภกสมบัติเกียรติคุณอันดีงามของผู้มีศีลจะพุ่งกระจรกระจายไปเป็นที่ยอมรับนตือของบุคคลทั้งหลายผู้มีศีลจะเข้าไปในสมาคมใดก็จะองอาจก้าหานไม่คร้ำข้ามคำเกรงในสมาคมดอกนั้น แล้วก็ไม่ลงตายตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรวค์บุคคที่เป็นทุกิีนก็ทรงกันครับคือจะมีความเดือดร้อนใจชื่อเสียงในทางไม่ดีไม่งามก็จะแพร่กระจายจไปสูญเสียความชื่อมั่นในตัวเองมีความคลั่งคล้ามขำเกรงเมื่อเข้าไปในสมาคมทั้งหลาย แล้วก่อนจะตายก็จะหลงตายตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกติหรืออย่างที่ทรงแสดงไว้เป็นอันมากในพระธรรมบทที่ว่าบุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็อย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองพระมองเห็นว่าตนได้ทําบุญไว้แล้ว หรือว่าคนที่ทําบาปเอาไวย้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้แล้วโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนก็ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้ทาบาปเอาไว้เป็นตนหลักการตรงนี้เป็นหลักการที่บ่งชี้เห็นถึงความเข้มข้นของอภิชาตัหาอุปาทานที่ทําให้กรรมของบุคคลนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลสูงขึ้นแล้วก็ทําให้พบที่ตนไปอุบัติ ในความต่ำสามชาติก็จะมากไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนเจนพว้กระบายสีพวกเกิดมาในสรอบครัวที่อยากจนขัดสนานาถาหาความสงบสุขไม่ได้เป็นต้นมันเป็นผลทั้งของอดีตกรรมแล้วก็ผลของปัจจุบั น, นกรรมเดี๋ยวว่าในกรณีของการนำมาเกิดนั้นก็ต้องเป็นผลของอกศุณกรรม เราแสดงว่านั่นก็คือสังสารจักรในช่วงเกิดไม่ดีในขณะเดียวกันพอจำแนกคนออกไปเป็นกลุ่มๆตามอิทธิพลของอดิตกรรมแล้วก็ปัจจบุบันกรรมก็ทำให้เราเพบว่าการจำแนกแบ่งแยกคนตามกระบวนการของกรรมเราก็มีคนอยู่สี่ประเภทโดยสรุป ประเภทหนึ่งทรงใช้คำว่าตโมตมปรายโนคือมืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าชาติก่อนชาติก่อนๆรุ่นก่อนๆเดือนก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยก็ทำบาป ท, ทำกรรมมาเยอะจิตใจก็ขุนมัวเศร้าหมองตายไปโดยจิตใจที่ขุนหมัวเศร้าหมอง แล้วก็มีความร่วมเอียงไปในทางคบคนผ่านไม่คบบัณฑิตไม่บูชาผู้ควรบูชาไม่อยู่ในประเทศที่สมควรเพราะขาดบุญบา ร, รมีในการก่อนแล้วจึงตั้งตนไว้ในทางที่ไม่ชอบก็ไม่ประสบสิ่งที่เป็นอมไม่ประสบสิ่งที่เป็นมงคลกลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปประเภทที่สองนั้นเ็เรียกว่าตามโมโชติปรายโน คือมืดมาจริงแต่ว่าสว่างไปนั้นก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานในอดีตคือกรรมในชาติก่อนๆกรรมในชาติก่อนกรรมในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนปีก่อนก่อนที่บุคคลกระทำเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ให้ผลนมามัดกสู่การเกิดคือไม่รู้กรรมไหนลหละมันก็เป็นชน ก, กุรคลแต่ว่าในลูกที่ไม่ดีก็มีกุศลกรรมในอดีตเข้ามาเบียน ผลของอกุศลกรรมแล้วก็สร้างความโน้มเอียงใหม่ให้ไม่คบผ่านคบบัณฑิตให้บูชาผู้ควรบูชาให้เลือกไปอยู่ในประเทศที่สมควรและบุญที่มาส่งเสริมใหม่เนี่ยก็สร้างความโน้มเอียงให้เพยยียนพยายามตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควรแล้วก็สร้างสรรพัฒนาตนเองขึ้นไปจาเป็นคนที่ได้สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมือง มีความเจริญก้าวหน้าก็กลายเป็นประเภทที่เรียกว่ามืดมาจริงแต่ว่าสว่างไปตรงนี้ที่จริงมันบ่งบอกถึงกรรมทั้งสามช่วงดังกล่าวแล้วแม้ภาพลักษณ์จะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ถ้าเรามองสืบสาวยอดมาจากปัจจุบันข้าไปห า, าดีตสาวลึกเข้าไปเรื่อยเนี่ยจะเจออดีตกรรมแล้วไม่ใช่อยู่อดีตใกล้นะบางเรื่องเป็นอดีตไกล แต่คนในจำแนรายละเอียดได้ขนาดนั้นมันต้องอาศัยพุทธญาณเรื่องชาวพุทธส่วนหนึ่งพอ ม, มาถึงเรื่องนี้เราสุดที่จะยัง่งแต่การเชื่อประสพพันยุตยุตญาณเอาไว้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะคงจะไม่มีใครเก่งเกินกว่าระดับสรพพันยุตญาณไปได้ในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องสังสารวัฏในเรื่องโลกและชีวิตในพวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยคนรุ่นใหมก่ก็อาจจะเก่งกว่า แต่เรื่องกระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องต้องอาศัยการปฏิบัติพัฒนาในด้านจิตใจท่านที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงเท่านั้นเองที่จะอธิบายสัจจะภาวะคือที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้ก็ททำให้เห็นว่าคนประเภทหนึ่งก็สว่างมาแต่มืดไปซึ่งก็หมายความว่าด้วยผลของกรรมในชาติก่อนๆกรรมในชาติก่อนกรรมในชาต อวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนปีก่อนก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศลอำนวยผลให้ตนมาเกิดดีเจนว่าเกิดในครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีมีความหนักแน่นมั่นคงแต่ว่ามนา จ, จะใส่อักุสลกรรมในดีมาเบียนหรืออาศัยอาเสว่น้ปัจจัยคือการข้อผ่าสมาคมกับผลไม่ดีในปัจจุบัน มันเลยก็ปฏิเสธบัณฑิตไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่เลือกอยู่ในประเทศที่เหมาะที่ควรไม่มีฐานของบุญกุศลที่จะสร้างความโน้มเอียงให้ทำบุญทาความดีคือตั้งตนไวในทางที่ชอบและในที่สุดคนเหล่านั้นก็ตกต่ำไปเรื่อยๆก็กลายเป็นประเภทที่เรียกว่าสว่างมาจริงแต่ว่ามืดไปคนอีกประเภทหนึ่งก็เรียกสว่างมาสว่างไปนั้นแสดงถึงความต่อเนื่องแห่งกระแสกุศล ทั้งกุศลในอดีตการนานไกลกุศลในชาติก่อนกุศลในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนและกุศลในก่อนที่จะตายตลอดถึงการครองชีวิตบนกระแสของกุศลเป็นโครงสร้างชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าธรมโมหเวรักคติธรรมมาจาริงประทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมธัรมโอสุจินโนสุขมาวะหานติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ เอสาในสังโสธรรมเมสุจินเนนีคืออนิสง์แห่งการแห่ง ร, รมที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วนรุกติกัจจติธรรมจารีบุคคลที่ประพฤติธรรมอยู่โดยปกติเนี่ยจะไม่ไปสู่ทุกตกิหมายความว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขต่อนเนื่องกันไปแล้วอาจจะสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยซ้ำไปตนก็จึงทรงเน้นยำ้ำแก่พระเจ้าเปรตที่กุศล ว่าผู้จะต้องตายซึ่งเรียกว่ามัดจัคือเราพวกเราแต่ละคนเนี่ยเป็นมัดจัดชีวิตมันจะจบลงที่ตายทำบุญและบาป ท, ทั้งสองอย่างอย่างใดไว้ในโลกนี้บุญและบาป ท, ทั้งสองนั้นจักเป็นของของเขาก็จะพาบุญและบาป ท, ทั้งสองนั้นไป มุมระบานั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามตนไปใช่ไอันนี้ที่เคยเน้นย้ำอยู่บ่อยอว่าสังคมนั้นสับสนมากๆแม้แต่พระสงโ์องค์เจ้าเองแม่พยายามทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมชอบจุนจ้านบุ้นวายในเรื่องราวของบุคคลเดบางทีพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นย้ำมาไว้ว่า บุคคลไม่ควรสนใจเรื่องเลวร้ายของบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ทาแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่ควรจะใส่ใจสนใจถึงเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเพราะเรื่องกัคนอื่นนั้นใส่ใจไปนั้นจะไม่เพิ่มกุศลมันจะเพิ่มปฏิฆะคือความไม่พอใจถ้าก็ทาดีทาเด่นเห็นจะ ก, ก้าวหน้าเราเราก็เกิด ดิสยาเกิดแข็งดีเกิดอาฆาตพยาบาทมาก ร, ร้ายเพราะในการทําใจให้เป็นกุศลเวลาเขาทําความดีหรือทําความชั่วเนี่ยจะทําได้ยากมากแต่ถ้าเรามาตรวจสอบที่ตัวเรากันแต่ละคนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราเองก็จะก่อให้เกิดเป็นความรับผิดชอบที่ถูกต้องเหมาเหมาะสมเพราะว่า ในแง่ของความไม่จริงแล้วแต่ละชีวิตเนี่ยมาสู่โลกนี้ไม่ใช่ที่จริงก็หมุนวนในสังสารวัฏนั่นเองด้วยกรรมของตนเองอยู่ในโลกนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นเสื่อมเป็นเจริญก็ด้วยกรรมของเราเองและเวลาจากโลกนี้ไปก็จากไปด้วยกรรมของเราแต่เป็นเรื่องที่น่าสลดใจและวก็น่าอนาจใจ ที่คนเป็นอันมากพยายามที่จะขอร่วมทําความชั่วกับคนชั่วด้วยแต่พอเขาทําความดีก็ขอทําความชั่วด้วยในลองสังเกตนะว่าโดยพื้นฐานที่มีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเวลาคนทําชั่วเราจะขอซ้ําเติมไม่จะเติมความชั่วให้แก่เขาจะต้องเข้าใจนะอาจจะเพิ่มทุกข์ให้แก่เขาได้แต่ไม่ได้เพิ่มความชั่วแก่เขา เพิ่มความช่วยแก่เราเช่นพระสมุติว่านายกอฆ่าคนตายเราอาจจะทุบตีอาจจะชกต่อยอาจจะอะไรนะฮะถ้านายกอเขาปรงปลกแล้วเขาไม่ได้โตตอบเขาไม่ได้ด่าว่าเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาก็หยุดบากปรกรรมของเขาไว้เฉพาะเรื่องฆ่าคนนั้นเองแต่เราซึ่งไม่ได้ทำชั่วอะไรมาก่อนมาเกิดด่าคนมาเกิดทุบตีคนมาเกิดแช่งชักหักกระดูกคน ก็เป็นกายทุจริตเป็นวจีทุจริตแล้วก็สนาภาคภูมิกันจริงที่ได้ทําอย่างนั้นเป็นเรื่องที่น่าสลดมากว่าจนป่านนี้แล้วยังไม่เข้าใจธรรมะอะไรกันประเด็นตัวนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะถ้าทีที่เคย ก, กล่าวไว้ในวันก่อนว่าในกรณีที่เขาทําชั่วทาผิดนั้นเราต้องทาใจเป็นอุเบกขาในกรณีที่ไม่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้ แต่ถ้าอยู่ในวิสัยจะแก้แขได้ก็ต้องทําด้วยเมตตาไม่ใช่ทาด้วยวิหิงสาคือทาด้วยเมตตาแม้แต่การโจดอาบัตพระด้วยกันเนี่ยพระเจ้าทรงวางหลักไว้นะถ้าคนโจดด้วยความโกรธความขู่โกรธการดูหมิน่นการแข่งดีการดิษยาการดนีเนี่ยถ้าโจดด้วยเหตุสีประการไม่รับไม่รับพร้อมโจด เพราะอะไรเพราะใจคนโทย์มันไม่ปกติมันทำไปด้วยอารมณ์ทําไปด้วยอารมณ์ความกโกรธความปูกโกรธทรงใช้คำว่าโกธโนุปนาหีมกีปะมกีปะลาศีอิสุกีมัชรีนะฮะคือคือหก อ, อย่างแล้วเราจะไม่รับฟังแต่กระแสอารมณ์ในปัจจุบัน เป็นกระแสสร้างแล้วถ้าเราดูพวกสื่อสารพวกผู้สื่อข่าวอะไรแต่ไรไม่ค่อยมีวุฒิภาวะอายุอานามก็อย่างน้อยแล้วก็ความรู้เรื่องาศาสนาก็อ่อนมากๆจนไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาเข้าใจศีลธรรมก็ทำแบบธุรกิจนะบนความพี่นาคของใครก็ได้เขาให้ฉันได้มีธุรกิจธุร ก, กิจอันนั้นก็คือคือคือเป็นการสะสมบาป โดยไม่มีความจะเป็นอะไรคือคนโดยไม่ต้องทำบาปก็สามารถประกอบอาชีพไปอยู่ดีมีสุขได้แล้วมีสุขในชาติปัจจุบันในปัจจุบันนัคะแล้วก็ในวันในเดือนในปีที่จะผ่านมาแล่วเมื่อเราลึกถึงวันเดือนปีที่ผ่านไปก็รำลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราตายไป เราก็มาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเราอราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราวันบัณฑิตจึงเน้นย้ำที่การสำนักสำนึกสำเนีกที่จะเจริญกุศลและลเว้นอกุศลซึ่งในกระบวนการของกรรมนั้นเป็นกลายเป็นกรรมเอาวิสัยนะฮะคือเราอย่างได้ลึกได้ยากมา จะต้องพยายามมองพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เชื่อไปตามที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเพราะว่าพระทั่วไปก็ไม่สามารถแสดงได้หรอกแม่แต่พระริยาบุคคลท่านก็ยังไม่ถึงเรื่องกรรมบางอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน้องอาศัยพุทธญาณเป็นการจำแนกกรรมเนี่ยดังนั้นเรื่องเรื่องเรื่อง อ, อ, ง อ, งอจินไตยสี่อย่างเนี่ย เรื่งองิทธิวิสัยกรรมวิปากะวิสัยชานวิสัยโลกจินดาอะไรตัวใดเนี่ยเป็นเรื่องสลับซับซ้อนแต่ว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้ก็ น, นั้นก็คือกรรมสรัทธาเชื่อกรำวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมศักดิ์สศรัทธาเชื่อการติสตระทั้งหลายเผู้มีกรร ม, มเป็นของของตนแล้วก็ ต, ากตากถากตะโพธิศรัทธา คือเชื่อในการศัสรูของพระผู้มีพระภาคเจ้มามันก็ทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยสิ่งที่ทำคาที่พูดเรื่องที่คิดแล้วก็อะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองจากจุดตรงนี้จุดตรงนี้เป็นวาทะตรงนี้เป็นเป็นพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าเสนกุศล ในข้อความที่ว่าอันผู้จะต้องตายทําบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดไว้ในโลกนี้บุญและบาปทั้งสองนั้นจะเป็นของของเขาผู้นั้นแท้เขาจะต้องถาพาบุญและบาปนั้นไปบุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเชนนเป็นพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนดิโกศลซึ่งทรงกันหลักที่นางปตาปจาระนางปตาจราพระประตาจราเทรีภิกษุณี ได้กล่าวถึงว่าชีวิตทั้งหลายน่ะมาสู่โลกนี้โดกรรมของตนหยุดในโลกนี้โดยกรรมของตนและจากโลกนี้ไปโดยกรรมของตนต่งางๆท่านฟังทั้งหลายได้รบประโพิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเดินง้อ ง, งามไปบุญในธรรมซึ่งมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี